จเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้ฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันพระเป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างที่ว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงมาที่วัดกันเพราะเห็นว่าเป็นวันพระด้วยจึงควรที่จะเข้าวัด เพราะวันพระนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ปล่อยวางเรื่องราวต่างๆทางโลกแล้วมาที่วัดเพื่อที่จะได้มาสร้างสิ่งที่ดีที่งามสำหรับจิตใจชีวิตของคนเรานั้นก็มีสองส่วนด้วยกันคือส่วนทางโลก คือความจำเป็นที่ต้องดูแลเกี่ยวกับอัตภาพร่างกายต้องมีการธรรมหากินและอีกส่วนหนึ่งก็คือจิตใจจิตใจก็ต้องมีธรรมะมีบุญมีกุศลไว้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเพราะร่างกายกับจิตใจนั้นเป็นธรรมชาติที่ต่างกันเรื่องเรื่องของร่างกายนี้เช่นปัจจัยสี่ ที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคอาหารนั้นไม่สามารถที่จะมาเยียวยาดูแลรักษาจิตใจได้จิตใจต้องอาศัยบุญกุศลซึ่งเปรียบเหมือนกับเหมือนกับปัจจัยสี่แต่แต่ไม่ใช่เป็นปัจจัยสี่ของร่างกายของร่างกายก็คืออย่างที่ได้ไปพูดไว้ต้องมีอาหารมีที่อยู่อาศัย มียารักษาโรคมีเครื่องมีเครื่องนึ่งหง่วถึงจะอยู่ได้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขแต่จิตใจนี้ก็ต้องมีบุญมีกุศลถึงจะทำให้จิตใจมีความร่มเย็นเป็นสุขได้มีความสุขความเจริญได้ก็ต้องอาศัยบุญและกุศลและบุญกุศลนี้เราจะรู้ว่าเป็นอย่างไรก็ต่อเมื่อเราได้ ได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าจะจะบอกเราว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นคุณอะไรเป็นประโยชน์ถ้าเราไม่เข้าหาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่รู้หรือรู้ก็รู้แบบไม่คบรบบริบูรณ์รู้บ้างไม่รู้บ้างรู้ถูกบ้างรู้ผิดบ้างก็จะทาให การการกระทำของเราที่เกิดจากความรู้นี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อคุณเพื่อประโยชน์อย่างแท้จริงก็จะมีการผสมประสิิไประหว่างการกระทาที่เกิดคุณบ้างเกิดโทษบ้างผลที่ตามมาย่อมมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างมีความเจริญบ้างมีความเสื่อมบ้างซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนปรารถนากัน พวกเราทุกคนนั้นล้วนแต่ปรารถนาความสุขความเจริญและไม่ต้องการความทุกข์ความเสื่อมเสียดังนั้นเราจึงต้องศึกษาให้รู้ถึงเรื่องราวของคุณและโทษเรื่องราวของความสุขความเจริญเรื่องราวของความทุกข์ของความเสื่อมเสียและไม่มีใครที่จะรู้ดีในเรื่องเหล่านี้ดีเท่ากับ พระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าของเรานั้นถึงแม้ว่าพระพุทธองค์จะได้ะสะเสด็จ ด, ดับขันธปรินิพานไปแล้วหลายพันปีด้วยกันแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นยังมีอยู่ยังมีการสืบทอดมีการถ่ายทอดอยู่จนถึงปัจจุบันนี้และเป็นสิ่งที่มีผล มีอนุภาพเหมือนกับเราได้ยินได้ฟังจากพระโอษของพระพุทธเจ้าเลยเพราะธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นอาการลิโกคือไม่ขึ้นกับการกับเวลาไม่มีการเสื่อมไปตามการตามเวลาถึงแม้ว่าธรรมที่พุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้นี้มีอายุถึง 2,500 กว่าปีไปแล้วก็ตา่างแต่อนุภาพประสิทธิภาพ ของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็ยังมีประสิทธิภาพมีอนุภาพครบถ้วนร้อยเปอร์เซนผู้ใดก็ตามที่มีความศรัทธาความเชื่อได้น้อมเอามาปฏิบัติแล้วย่อมได้รับผลได้รับประโยชน์ดังที่อย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกทั้งหลายได้รับประโยชน์ในสมัยพุทธกาลมา เพราะนี่คือธรรมชาติของธรรมเป็นอากาลิโกดังนั้นเราจึงไม่ต้องมีความวิตกว่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จดับนันปริทิพานไปแล้วสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนจะไม่สามารถยังประโยชน์ยังคุณให้กับเราได้อย่างนี้เป็นความเข้าใจผิดความเข้าใจที่ถูกต้องนั้นต้องถือหลักว่า พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอาการลิโกไม่ได้เสื่อมไปตามการตามเวลาไม่เหมือนกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ย่อมร่วงโรยไปย่อมเสื่อมไปตามเวลาอัตภาพสังขารร่างกายของเราก็ต้องเสื่อมไปตามการตามเวลาวัตถุเข้าของต่างๆก็ต้องเสื่อมไปตามการตามเวลาแต่มีอย่างเดียวในโลกนี้ ที่ไม่เสื่อมไปกับการกับเวลานั่นก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นเราจึงมีความมั่นใจได้ว่าเราจะไม่อยู่โดยปราศจากที่พึ่งที่พึ่งของเราก็คือธรรมังสรนรามกัฌามิพระธรรมคำสอนนี้เป็นที่พึ่งของเราได้เพราะเหตุใด เพราะว่าพระธรรมนี้เป็นเปรียบเหมือนกับแสงสว่างในที่มืดผู้ใดถ้าอยู่ในที่มืดไม่มีแสงสว่างย่อมลําบากย่อมไม่เห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเองจะทําอะไรย่อมไม่รู้ว่าทําไปแล้วถูกหรือผิดอย่างไรฉันใดบุคคลที่ไม่มีพระธรรมคำสอนอยู่ในใจก็เปรียบเหมือนกับคนที่อยู่ในที่มืดเหมือนกับคนตาบอดย่อมไม่สามารถ เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงได้แต่ถ้ามีแสงสว่างแห่งธรรมอยู่ในใจแล้วย่อมเห็นสิ่งต่างๆเหมือนกับคนตาดีที่สามารถเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวของตนได้ว่าสิ่งต่างๆนั้นมีอะไรบ้างมีคุณมีโทษอย่างไรถ้ารู้ว่าสิ่งที่มีโทษก็สามารถเหลีกเลี่ยงได้ถ้าสิ่งไหนมีคุณ ก็สามารถน้อมเอาเข้ามาทำให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับตนเองได้นี่คืออนุภาพของพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งเป็นแสงสว่างเป็นเหมือนดวงตาสำหรับผู้ที่ปรารถนาความสุขความเจริญจะสามารถยึดนำเอาไปใช้เป็นเครื่องนำทางได้เพราะชีวิตของเรานั้นก็เปรียบเหมือนกับการเดินทางเราต้องรู้จัก ทางที่เราจะไปว่าต้องไปในทิศทางไหนถ้าเราไม่รู้จักทางเราก็จะไม่สามารถนำเนินไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างท่านทั้งหลายเวลาจะเดินทางมาที่วัดท่านก็ต้องรู้ว่าทางที่จะพาท่านมาสู่ที่วัดนี้อยู่อยู่ตรงไหนถ้าไม่รู้จักทางเดินไปก็อาจจะไม่ ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางได้ฉนันใดสิ่งที่พวกเราทุกคนปรารถนาก็คือความสุขความเจริญความปราศจากความทุกข์เศร้าโศกเสียใจความเสื่อมเสียความหายนะทั้งหลายก็เป็นผลเป็นจุดหมายปลายทางเช่นกันที่ชีวิตของเราจะต้องดำเนินไป ถ้าเราไม่รู้จักทางที่จะพาเราไปสู่ความสุขความเจริญเราก็ไม่เราก็ไม่อาจจะสามารถเดินทางไปให้ถึงจุดหมายปลายทางอันนั้นได้ทางตรงกันข้ามเมื่อเราไม่รู้ทางเราหลงทางเราอาจจะเดินไปสู่จุดหมายที่เราไม่ปรารถนากันนั่นก็คือสู่ความทุกข์สู่ความเสื่อมเสียสู่ความหายนะทั้งหลาย ดังที่เราเห็นปรากฏกันขึ้นมาในชีวิตรอบตัวเราเราจะเห็นคนบางคนสามารถดำเนินชีวิตไปได้ด้วยความดีงามด้วยความเจริญรุ่งเรืองบางคนก็ดำเนินชีวิตไปด้วยความยากเข็ญด้วยความทุกข์ด้วยความลาบากด้วยความเสื่อมเสียนั่นก็เป็นเพราะว่าแต่ละคนนั้นมีปัญญาหรือมีธรรมะความรู้ ในเรื่องของทางนทางที่จะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการนั้นมีความรู้ไม่เท่าเทียมกันรู้มากรู้น้อยต่างกันรู้ผิดรู้ถูกต่างกันถ้าผู้ใดได้เข้าหาพระพุทธศาสนาแล้วได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนาพระธรรมคำสอนนั้นมาใส่ใจเอามาท่องจาจนขึ้นใจ แล้วนำสิ่งที่เราจำได้นี้ไปปฏิบัติชีวิตของเราจะดำเนินไปได้ด้วยความราบรื่นดีงามเพราะสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งสอนนั้นเป็นสิ่งที่ได้รับการทดสอบมาแล้วได้รับการพิสูจน์มาแล้วตามหลักความจริงตามหลักสวัสขาตธรรมสวาสขา์ธรรมก็คือธรรมที่เป็นไปตามความเป็นจริงไม่ใช่เป็นธรรมที่เกิดจากจินตนาการ นั่งคิดเฉยๆว่าทำอย่างไรถึงจะไปถึงจุดนั้นโดยที่ตนเองไม่เคยได้ทามาก่อนเหมือนกับคนที่ไม่เคยมาที่วัดนี้ก็อาจจะมีจินตนาการได้ว่าหนทางที่จะมาวัด น, นี้จะต้องไปทางนั้นจะต้องไปทางนี้แต่คนที่พูดนั้นคนที่บอกนั้นก็ยังไม่รู้จริงเพราะยังไม่เคยมาที่วัด ถ้าไปบอกคนให้เขารุมาเขาก็อาจจะมาไม่ถึงที่วัดนี้ได้เพราะเขาตัวเองก็ไม่คอยมาแล้วหนทางที่เขาพูดนั้นที่เขาชี้บอกนั้นก็เป็นเพียงแต่จินตนาการความนึกคิดหรือความด้นเดาจึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่ตรงกับความเป็นจริงแต่ถ้าเขาเคยเดินทางมาที่วัดแล้วเขาย่อมรู้ว่าหนทาง ที่มาที่วัดนี้เป็นอย่างไรเมื่อเขารู้เขาก็ย่อมสามารถบอกผู้อื่นได้อย่างถูกต้องแม่นยำตามความเป็นจริงเมื่อผู้อื่นได้ยินได้ฟังแล้วนำไปปฏิบัติดำเนินตามที่ทางที่เขาบอกให้ไปเขาย่อมเดินทางมาถึงที่วัดนี้ได้อย่างแน่นอนฉัในใดพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนกับคนที่ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ดีที่เลิศแล้วนั่นก็คือ ความสุขความเจริญความหมดทุกข์หมดภัยหมดโศกทั้งหลายเมื่อพระพุทธองค์ได้พิสูจน์หนทางที่ได้ทรงดำเนินมาแล้วและได้ดำเนินไปถึงจุดหมายปลายทางที่เลิศที่ประเสริฐที่พวกเราทุกคนปรารถนาแล้วพระพุทธเจ้าก็นำสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ไปดำเนินมานี้มาสั่งสอนมาบอกกล่าวถ่ายทอด ให้กับผู้ที่ยังไม่รู้เพื่อให้เขาได้รู้จากผนทางและเมื่อเขานําไปปฏิบัติตามเขาย่อมดาเนินไปถึงจุดหมายที่เขาปรารถนากันได้อย่างแน่นอนเราจึงควรจะมีความเชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นคำสอนที่ถูกต้องเป็นสวากขาตธรรมถูกต้องตามหลักความเป็นจริง เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราก็ควรที่จะหมั่นศึกษาเล่าเรียนฟังเทศพังธรรมอยู่อย่างสม่ำเสมอเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ขอให้เรานำเอาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วผลที่เราปรารถนากันก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นมาภายในใจของเราภายในชีวิตของเราเมื่อมีผลปรากฏขึ้นมาแล้วศรัทธาความเชื่อก็จะมีความ มีความแน่วแน่มีความมั่นคงมากขึ้นไปเพราะเราเริ่มเห็นแล้วจากความเชื่อก็จะกลายเป็นความจริงในเบื้องต้นเรายังไม่รู้จริงเช่นถ้าเราอยากจะมาที่วัดนี้แต่เรายังไม่เคยมาที่วัดเราก็จะไม่รู้ว่าที่วัดนี้มีอะไรบ้างเราก็เพียงแต่ได้ยินได้ฟังจากผู้อื่นเราฟังเขาเราก็เชื่อในสิ่งที่เขาพูด แต่เราก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นมีความถูกต้องมากน้อยเพียงไรแต่ถ้าเราเมื่อถึงเวลาที่เราได้มาถึงที่วัดนี้แล้วเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่เขาพูดเราก็จะรู้ความจริงของวัดนี้ว่าเป็นอย่างไรเมื่อถึงเวลานั้นแล้วเราก็ไม่จาเป็นจะต้องเชื่อเขาอีกต่อไปเพราะสิ่งที่เขาบอกกับสิ่งที่เราเห็นนั้นมันก็เป็น อันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อเราเห็นแล้วเราก็มีความมั่นใจฉันใดในการดำเนินชีวิตของเราตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เราดำเนินนั้น <c oughs> ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะพิสูจน์ได้ <c oughs> เมื่อเราปฏิบัติไปตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนแล้วเราเริ่มเห็นสิ่ง <c oughs> เห็นผลในการปฏิบัติปรากฏขึ้นมาในชีวิตของเราในใจของเรา เราก็จะเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นไปว่าสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงสั่งสอนนั้นล้วนเป็นความจริงทั้งสิ้นและเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะมีความยินดีความพอใจมีความขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติให้มีมากยิ่งขึ้นไปเ <c oughs> พราะเราเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรในโลกนี้จะดีเท่ากับการปฏิบัติตาม คำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะสิ่งที่พระเจ้าทรงสัส่งสอนนั้นสอนให้เราไปสู่ความสุขความเจริญที่แท้จริงความสุขความเจริญที่แท้จริงของทางศาสนานี้หมายถึงความเจริญในคุณธรรมความเจริญในทางด้านจิตใจความเจริญในความสุขภายในจิตใจไม่ได้หมายถึงความเจริญในในเรื่องราวของลาคยศสรรเสริญ กามาสุขทั้งหลายสิ่งเหล่านี้นั้นพระพุทธศาสนาไม่ได้ชี้ว่าเป็นสิ่งเป็นเป้าหมายของความสุขของความเจริญที่แท้จริงดังนั้นการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะเจริญด้วยราบยศสรรเสริญด้วยการมาสุขแต่เราจเจริญด้วยคุณธรรมจเจริญด้วยความสงบสุขภายในใจของเราต่างหาก ดังนั้นเวลาที่เราปฏิบัติแล้วในเบื้องต้นเรายังไม่ได้เห็นผลหรือเรามองผลไปผิดที่คือแทนที่จะมองมาที่ความรู้สึกภายในใจของเราเรากลับไปมองถึงผลผลภายนอกอย่างคนที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติธรรมในเรื่องของผลของการปฏิบัติธรรมว่าจะเป็นอย่างไรก็จะคิดว่าเมื่อได้ทาบุญทาทานได้รักษาสิง ได้ไหวพระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมแล้วชีวิตจะรุ่งเรืองทางด้านราบยศศักดสิ์ ส, สริญรสุขคือจะมีเงินทองมากเพิ่มขึ้นไปจะมีตำแหน่งมียศถาบรรดาศักดิ์สูงขึ้นไปจะมีคนสรรเสริญเยินยอมากเพิ่มขึ้นไปจะมีความสุขคือการมาสุขที่ที่ได้เสพได้บริโภคอย่างสมบูรณ์ อย่างนี้ไม่ใช่เป็นผลที่แท้จริงของการปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะไม่เกิดขึ้นแต่เป็นผลพลอยได้มากกว่าคนทำความดีตั้งตน้นตั้งตนอยู่ในคุณงามความดีก็ย่อมมีความเจริญทางลาบยศสรรเสริญสุขเหมือนกันแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งไม่ใช่เป็นผลหลัก เป้าหมายหลักของการปฏิบัติธรรมไม่ได้เป็นผลหลักของการดำเนินชีวิตของเราตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนผลหลักที่แท้จริงนั้นมันอยู่ที่ภายในใจของเราใจของเราจะเป็นใจที่มีความสงบมีความเย็นมีความสบายเพราะเกิดจากการไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ เพราะมองเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่จีรังถาวรไปอาศัยไม่ได้ตลอดเวลาไม่ว่าไ ม, ไม่ไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งสิ่งที่เราอาศัยให้ความสุขให้ความเจริญกับเราก็เสื่อมลงได้ก็แตกสลายดับไปได้เมื่อเป็นเช่นนั้น ถ้าอาศัยสิ่งนั้นเป็นเครื่องให้ความสุขความเจริญเมื่อสิ่งนั้นเกิดการสูญสลายไปก็ต้องเกิดความทุกข์เกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมากลายเป็นคนไม่มีที่พึ่งอีกเพราะว่าเราไปยึดไปติดอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้วแล้วเราจะรู้ว่า การปฏิบัติธรรมนี่แหละคือที่พึ่งที่แท้จริงเพราะเป็นสิ่งที่จะไม่เสื่อมเราสามารถปฏิบัติธรรมไปได้ตลอดจนวันตายและเมื่อเราปฏิบัติธรรมได้มากน้อยเพียงใดจิตใจของเราก็จะมีความสุขมีความสบายมีความ <c oughs> มีความสงบมีมีความไม่มีความวุ่นวายใจอยู่ในใจเลย นี่ตังหกคือผลที่พระพุทธศาสนาสอนให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ประสบพบเห็นได้บรรลุถึงไม่ใช่ผลภายนอกไม่ได้เกิดจากการเจริญราบยศสารเสริญสุขถ้าเราเข้าใจหลักธรรมนี้แล้วเราก็จะมีความมีความมั่นใจในการปฏิบัติแต่ถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่เข้าใจ เราก็จะเกิดความท้อแท้เกิดความไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะปฏิบัติทำคุณงามความดีเพราะเราหลงผิดเราคิดว่าการทำคุณงามความดีนั้นจะทำให้เราร่ำรวยขึ้นจะทำให้เรามีตำแหน่งสูงขึ้นจะทำให้เรามีคนยกย่องสรรเสริญเยินยอจะทำให้เรามีทรัพย์สมบัติเครื่องใช้ไม่สอยเครื่องอำนวยความสูงทางตา หูจมูกลิ้นกายมากเพิ่มขึ้นไปถ้าเป็นเช่นนี้แล้วเราก็จะไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะทำคุณงามความดีดังนั้นเราจึงต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าการที่เราปฏิบัติทางมตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เราต้องการเจริญคุณธรรมภายในจิตใจเพราะเมื่อเรามีคุณธรรมแล้ว คุณธรรมนี้จะเข้าไปดูแลรักษาใจของเราไม่ให้วุ่นวายไม่ให้เศร้าโศกเสียใจไม่ให้กังวลไม่ให้หลงนั่นเองเพราะใจของเรานั้นยังมีสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่เป็นสิ่งที่สร้างปัญหาให้กับเราอยู่เหมือนกับเชื้อโรคที่มีอยู่ในร่างกายของเราถ้าเรามีเชื้อโรคของร่างกายของเราแล้วเราไม่ดูแลด้วยการรับประทานยา เชื้อโรคนั้นก็จะต้องสร้างความเจ็บไข้ได้ป่วยให้กับร่างกายของเราถึงแม้ว่าเราจะมีเงินทองมากมายมีตำแหน่งสูงสูงแต่เราร่างกายของเราก็จะไม่สามารถที่จะมีความสุขกับสิ่งที่เรามีได้เพราะว่าร่างกายของเรามีเชื้อโรคและเราไม่ได้ดูแลรักษาแต่ถ้าเราดูแลรักษาเชื้อโรคที่มีในร่างกาย เช่นไปหาหมอหายามารับประทานเมื่อมียา ม, มีหมอมียาก็จะรักษาทําลายเชื้อโรคให้หมดไปจากในร่างกายได้เมื่อไม่มีเชื้อโรคในร่างกายแล้วร่างกายก็เป็นปกติไม่เจ็บไข้ได้ป่วยใจของเราก็เป็นเช่นนั้นใจของเราก็มีเชื้อโรคเหมือนกันที่ทําให้เราทุกวันนี้มีความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจ กุ้ม อ, อกกุมใจกังวลใจ ห, ห, ห, ห่วงหน้าห่วงหลังห่วงหน้าห่วงหลังกลัวเรื่องนั้นกลัวเรื่องนี้เหล่านี้เป็นเชื้อโรคของใจทั้งสิ้นเชื้อโรคที่เกิดจากความไม่รู้เชื้อโรคที่เกิดจากความหลงจึงต้องอาศัยคุณธรรมของที่เกิดจากการปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือการทําความดีการ ละการกระทาความชั่วทั้งหลายและการชำระกิเลสตัณหาให้เบาบางให้หมดสิ้นไปจากใจเท่านั้นด้วยธรรมโอสถ์คือด้วยคด้วยพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเรานำมาปฏิบัติอย่างนี้อย่างที่ท่านทั้งหลายได้มาปฏิบัติกันทุกวันพระหรือทุกวันสาวันอาทิตย์ก็เป็นการนำธรรมโอสถเข้ามาชาระจิตใจ ชำระเชื่อโรคของจิตใจคือกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาทั้งหลายที่มีอยู่ในใจที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ความกังวลใจความวุ่นวายใจที่ไม่รู้จักจบจากสิ้นถ้าเราได้นำธรรมะโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเข้ามาชำระสิ่งเหล่านี้ภายในใจแล้วใจของเราก็จะค่อยๆหายจากโรคต่างๆ โรค ก, กลัวโรคโลกวุก่นวายใจโรคเศร้าโศกเสียใจโรคเหล่านี้สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยธรรมโอสฐที่พระเจ้าได้ทรงทดลองใช้มาก่อนเมื่อใช้จนเห็นผลดีแล้วก็ํำเอามาเผยแผ่เอามาถ่ายทอดให้กับพวกเราถ้าพวกเรานำมาปฏิบัติแล้วรับรองได้ว่า ใจของเราจะดีขึ้นใจของเราจะมีความสุขมีความสบายความทุกข์ความ ก, ามกังวลใจความว้าวุ่นขุ่นัวภายในใจจะค่อยๆหมดไปจนกระทั่งหมดไปในที่สุดนี่เป็นผลที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราได้ไปถึงนี่แหละคือความสุขความเจริญที่แท้จริงคนเราถ้ามีเงินทองมากมาย จนกระทั่งใช้ไม่หมดมีตำแหน่งสูงเป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินหรือเป็นประธานาธิบดีแต่ถ้าใจยังมีความว้าหุ่นขุ่นมัวมีความเศร้าโศกเสียใจมีความทุกข์มีความกังวลใจอยู่มันสิ่งต่างๆที่ตนเองมีอยู่นั้นจะมีประโยชน์อะไรสู้มีสู้ไม่มีอะไรเลยแต่ใจแต่ภายในใจนั้นไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจเลย จะไม่ดีเสียกว่าเลยนนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงผ่านมาในชีวิตของพระองค์ท่านทั้งสองส่วนสมัยที่เป็นราชโอรสเป็นเจ้าชายศิท ธ, ธัตถะอยู่ถํากลางทรัพ์สมบัติเงินทองมากมายก่ายกองแต่ภายในใจกลับมีแต่ความว้าหุ่นขุนมัวมีความกังวลมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเศร้าโศกเสียใจ กับหลังจากที่ได้สะละราชสมบัติแล้วออกปฏิบัติธรรมจนในที่สุดได้ชําระกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาที่มีอยู่ภายในใจจนหมดสิ้นไปแล้วในใจนั้นมีแต่ความสุขมีแต่ความสงบมีแต่ความอิ่มมีแต่ความพอไม่มีความทุกข์แม้แต่ทุเรียเดียวเหลืออยู่ในใจเลยนั่นแหละเป็น ทางเลือกที่พระเจ้าทรงตัดสินใจเลือกและเมื่อได้พบสิ่งนั้นแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะหวนกลับไปหาความสุขในสมัยที่เป็นราชกุมารอีกต่อไปเลยเพราะว่าชีวิตของราชกุมารของกษัตริย์ของประธานาธิบดีของนายรัฐมนตรีนั้ น, เ ป, นเป็นชีวิตที่มีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความทุกข์ที่ไม่มีที่ที่สิ้นสุด างกับความสุขที่เกิดจากการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมทำความดีละความชั่วชำระกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปนี่แหละเป็นความเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความเจริญที่แท้จริงเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้บรรลุถึงได้ตัดสู้ถึงแล้วก็นำนี้เรื่องเหล่านี้มาสั่งสอนพวกเรา พวกเราเมื่อเราฟังแล้วเราเกิดความเชื่อเกิดความศรัทธาเราก็นําไปปฏิบัติแล้วชีวิตของเราคือจิตใจของเราก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราจะเบาใจของเราจะสบายใจจะไม่ค่อยวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆเพราะปล่อยวางได้เพราะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นั้นเป็นความทุกข์ทั้งสิ้นเป็นเหมือนกับไฟถ้าเราไป อมือไปจับไฟไฟมันก็ต้องทำให้ต้องทาให้มือเราร้อนหรือเผาไหม้มือของเราฉันได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของหรือเป็นบุคคลล้วนเป็นความทุกข์ทั้งสิ้นถ้าเราไม่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็จะไม่มีความทุกข์กับสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเราไปมีความเกี่ยวข้องด้วยแล้วเราไปยึดไปติด มันก็จะทำให้เราทุกกับสิ่งนั้นๆไม่เชื่อลองลองตรวจตาดูสิ่งที่เรามีรอบตัวเราอยู่ mm hmm. เช่นบุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาพ่อแม่ที่น้องญาติสนิทนสหายเราก็ต้องทุกข์กับเขาเพราะเรารักเขาเราก็ต้องห่วงเขาเราก็มีความอะไรเอาวรเวลาที่เขาต้องจากเราไปนี่ก็เป็นความทุกข์แล้ว แต่ถ้าเราไม่ไปยึดไปติดกับเขาเพียงจะรู้ว่าเขาก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปเขาต้องจากเราไปสักวันเนี่ยไม่ช้าก็เร็วถ้าเขาไม่จากเราไปก่อนเราก็ต้องจากเขาไปก่อนถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็ไม่ไปยึดไปติดเราก็เหมือนกับไม่ได้เอามือไปจับไฟถึงแม้จะอยู่ใกล้ไฟแต่ก็ มีระยะว่างห่างไว้ไม่ให้อยู่ใกล้ชิดจนเกินไปอยู่ด้วยกันก็อยู่ไปแต่ไม่ได้ยึดไม่เลยติดว่าจะต้องอยู่กันไปตลอดรู้ว่าไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องจากไปอย่างนี้แสดงว่าเราไม่ยึดไม่ติดเราใช้ธรรมคำสอนของพระเจ้ามาดําเนินชีวิตเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเวลาเกิดการพัดผจากกันเราก็ไม่ทุกข์เราก็ไม่วุ่นวายใจ ในขณะที่อยู่ด้วยกันเราก็ไม่ทุกข์เราก็ไม่กังวลเพราะเรารู้ว่าทุกไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรความเป็นจริงของโลกนี้มันเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นั้นเป็นสิ่งที่มีอายุไขไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่เป็นไปเหมือนเดินไปได้ตลอดกาลจะต้องมีการสิ้นสุดไปวันใดวันหนึ่งเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็ปล่อยวาง เมื่อเราปล่อยวางแล้วเราก็จะอยู่ในโลกนี้ได้ด้วยความสบายใจไม่วุ่นวายไม่ทุกข์กับอะไรเพราะเรามีธรรมะมีแสงสว่างแห่งธรรมเป็นเครื่องพาเราไปนั่นเองนี่แหละคือความหมายของคำว่าธรรมังสารนังกฉามิธรรมะ